บันทึกเหตุการณ์ภาพประวัติศาสต umm. ร <persons> ์ของวัดผมรวบรวมภาพถ่ายเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มงานบูรณะกุฏิหลวงตาเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2551จนถึงวันที่ท่านกลับมาถึงวัดป่าบ้านตาดภาพพิธีกรรมขอขมาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ที่พวกเราได้ร่วงเกินในระหว่างการก่อสร้างซ่อมแซมกุฏิ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการก่อสร้างที่ต้องปีนป่ายเหยียบย่ำไปทั่วขณะก่อสร้างก็ใช้ค้อนตีตะปูเพื่อการจับยึดให้มั่นคงไม่ให้หลวงตาต้องเป็นอันตรายต้องปีนป่ายเพื่อมุงหลังคากระเบื้องเหยียบย่ำเหนือกุฏิเตียงและอาสนะที่ท่านจะต้องใช้เป็นการก้าวล้ำขาดความเคารพโดยไม่ได้ตั้งใจแม้กระทั่งการเช็ดถูทาความสะอาดไปทั่วทั้งกุฏิภายหลังงานซ่อมแซม นั่นเป็นความละเอียดอ่อนในการแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์คณะสงฆ์และศิษย์ทั้งหลายต่างร่วมใจกันทำงานถวายอง์หลวงตาเพื่อรักษาทาต์ขันของท่านให้แข็งแรงให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อดำรงขันอยู่เป็นมิ่งขวัญของบรรดาศิษย์ทั้งหลายและประเทศชาติไปอีกนานๆในคืนวันที่27เมษายนผู้คนที่มาร่วมทำงานต่างเร่งมือเพื่อให้เสร็จตามกาหนด ทำงานกันจนสว่างคาตาเช้าขึ้นมาพระก็ออกบินธบาตญาติโยมพากันตั้งใจใส่บาทเช้า ว, วันนั้นทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจที่หลวงตาจะกลับมาวัดแล้วหลังจากที่ท่านไปพำนักที่สวนแสงธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าสิทธิทำการยกกุติขึ้นได้สะดวกหลังจากที่พระฉันเสร็จและลูกศิษย์รับประทานอาหารเช้าแล้วพระทุกรูปและทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างก็กลับเข้ามาในกุติหลวงตา เร่งรีบทำความสะอาดทุกส่วนเป็นครั้งสุดท้ายมือนับร้อยลูบไล้เช็ดถูไปตามส่วนต่างๆของกุฏิด้วยผ้าชุบน้ำมะนาวผสมน้ำสารส้มเพื่อกลบลบกลิ่นสารเคมีที่ทาบนไม้ไม่ให้ระคายต่อทาตขันขององค์หลวงตาทุกๆคนได้ฝากรอยมือแห่งความเคารพความศรัทธาความจงรักภักดีไว้ที่กุฏิประวัติศาสตร์ของท่านโดยทั่วกัน